มงกุฎไพรเล่มสาตอนที่203และแล้วราตรีแห่งการพระราชทธานเลี้ยงนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อเวลาอันสมควรโดยไม่ถึงกับดึกเกินไปนักอันหมายถึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายของเชษฐาและฝ่ายของสแตนลีย์ได้มีการพบปะเสวนาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันทุกคนโดยทั่วหน้าอันมีองค์จั ก, กรราธิราชและราชนีเมยานีเป็นองค์ประธาน เสมือนหนึ่งพระองค์จะทรงล่วงรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่านับตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีเวลาคุ้นเคยกันมากนะักเนื่องจากเวลาพบที่มีอยู่จำกัดและท่ามกลางปริศนากังวลยุ่งเหยิงของแต่ละฝ่ายณเวลาแรกพบเมื่ออรุณที่ผ่านมาจึงเปิดโอกาสให้สังสรรค์กันเสียภายในค่าคืนนี้ อย่าเมื่อเมฆหมอกเห็นความกังวลทั้งหลายได้ผ่านพ้นไปแล้วผมอยากจะให้พวกคุณทั้งหมดนอนหลับกันให้สบายที่สุดทรงรับสั่งปนแยมสวนกับคณะทั้งหมดก่อนที่จะเสด็จพระราชดําเนินกลับพร้อมราชนีคู่พระไทยแล้วพรุ่งนี้เราจะไปดูกันที่ซากเครื่องตกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณจะต้องกระทําโดยเฉพาะฝ่ายของดรสแตนลีย์ขอให้ไปเริ่มต้นใหม่เอาวันพรุ่งนี้เถิด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 พวกเราทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้มาอยู่ในบ้านของตัวเองอเมริกันอาวโสกราบทูลขึ้นขอให้องค์จักราธิราชเจ้าและราชนีเมยานีจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่มีวันลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เลยแช่ถาในฐานะหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยกราบทูลต่อมา โชคดีและฝันดีสําหรับทุกคนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ทรงมีพระราชดดมรดนุ่มนวลเป็นประโยคสุดท้ายเช่นกันแล้วก็เสด็จดำเนินไปประทับยังวอทองพร้อมกับพระราชนีและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาทั้งหลายแล้วขบวนเสด็จก็เคลื่อนจากไปท่ามกลางการยืนเข้าแถวรอส่งเสด็จของคณะทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเหล่าราชมนตรีซึ่งร่วมอยู่ในงานอุทยานสโมสรทุกคน เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จรับไปแล้วเชษฐาก็หันมาทางด็อเตอร์สแตนลีย์บอกยิ้มยิ้มว่าผมคิดว่าพวกคุณคงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเต็มทีและคงอยากจะกลับไปพักเพื่องานสำคัญสำหรับวันรุ่งพรุ่งนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็แยกกันก่อนได้เลยพวกผมเองก็จะกลับไปพักผ่อนเหมือนกันสแตนลีย์ก้มศรีรษะลงรับคาดีเหมือนกันครับคุณชาย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 ระหว่างที่แยกหมู่ออกจากกันนั้นรพินก็เข้าไปจับมือมองกุฎไพรแม่ดอกฟ้าดารินของเขากระซิบบอกว่าผมจะกลับไปกับพวกเขาก่อนนะครับแล้วตอนดึกสักหน่อยถ้าหากทางพวกคุณหญิงยังไม่ง่วงผมจะกลับมาร่วมคุยด้วยอย่างที่พักดารินยิ้มอ่อนหวานตอบดึงตัวเขาเข้ามาใกล้แล้วจูบเบาๆที่แก้มโดยไม่แคร์ต่อสายตาของใครอีกแล้วทั้งสิ้นขยิบตาให้นิดหนึ่ง ค่ะรบพินแล้วอย่าเผลอหลับไปละ่ะต้องมาให้ได้นะถึงคนอื่นจะหลับแล้วฉันก็จะคอยแน่นอนครับผมจะไปพบคุณหญิงแต่ถ้าพวกคุณพี่ทั้งหลายท่านหลับหมดแล้วผมดอดไปหาน้องสาวของท่านหวังว่าคงไม่โดนลูกซองนะครับหลอนตบไหลเขาโดยแรงแล้วบอกว่าเขารู้กันหมดแล้วเลยยะอย่ามาทาเป็นดัตจริตอยู่อีกเลยหม่นไส รับพินหัวรบับเบาๆถอยห่างออกมาแตะปีกหมวกวันธยาหัดให้หล่อนและฝ่ายของเชษฐาทุกคนคริสกับเบลโบกมือกับดารินซี o ูท o m o r r ร w น้อยกุ d ดไ g ท t ทั้งสองบอกมาพร้อมๆกันคนหนึ่งสุภาพสำรวมอีกคนหนึ่งร่าเริงระริรระิกตามนิสัยดารินโบกมือตอบไน h ์ night. แม้แต่พวกพลานพื้นเมืองทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกกันไปตามหน้าที่ภาระที่ยังไม่หมดสิ้นของแต่และฝ่ายซึ่งเชษฐาและอนุชายืนมองดูยิ้มยิ้มอย่างชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของรพินกับคนของเขาทุกคนส่วนดารินวางหน้าเฉยรพินน่าจะมาคุยกับเราในคืนนี้นะเสียงชายยันบ่นอ่อยๆช่างเขาก่อนเถอะเขายังไม่หมดภารกิจของเขาสมบูรณ์แบบ เชษดถาเป็นคนตอบแทนให้ส่วนน้องสาวคนเล็กไม่ยอมบอกใครว่าพรานใหญ่แอบกระซิบกับหล่อนไว้เช่นไรเพื่อนชายจึงเดินเร่เข้ามาใกล้คริสตินา่าสวยมากจริงๆสวยกว่าเมียฉันอีกแต่ถ้าเธอคิดจะเปลี่ยนเมียหรือมีเมียเพิ่มแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอซิเลยไม่ต้องรอให้เมฆฆ่าหรอกเพื่อนชายผู้มีฐานะเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเป่าลมจนแก้มโป่ง ความสวยของผู้หญิงคนไหนมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ฉันรักเมียและลูกของฉันน้อยลงไปสักหน่อยเลยนี่ว่าแต่พ่อยอดชายนายรพินของเธอนะ่ะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเขา ก, ก็ไม่เคยทออทิ้งหน้าที่ของเขาเลยนะเขาไม่ใช่เธอนี่ ช, ย ย, ชยยันอ้าวบะชยยันอุทานและประซิ์มาว่าเพียงขอให้มีคริสอีกสักคนหนึ่งเถอะเราจะหัวเราะให้ฟันหักเลย ถ้ารับพินปันใจให้แก่คริสอีกคนหนึ่งฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันไม่ฆ่าเขาหรอกเพราะเธอเป็นคนภาวนาหรือให้ท้ายยุยงไม่ได้เกิดจากความเจตนาของเขาเองหล่อนเน้นเสียงชัดเจนยิ้มยิ้มชา ย, ยันเอามือตบขมับทำตาเลและไม่กล้าพูดกระเซาเย้าแย่อะไรอีก อรชุนแยกไปส่งคณะของสแตลลี่ส่วนสุกรีก็ทำหน้าที่นำทหารไปส่งฝ่ายของเชษฐาจนถึงปราศาสตร์หลังอุทยานอันเป็นที่พักสำหรับสั่งปานั้นทุกคนสังเกตเห็นพระตามเสด็จจากกราธิราชกับเมญานีออกไปก่อนแล้วแต่เท่าบุญคำกับลูกน้องอีกสามคนมีอาการในครั้งแรกเหมือนจะแยกตัวออกจากคณะของสแตลี่และตามมาขออาศัยพัก หรื อ, อยังมีเรื่องที่จะคุยสนุกสนานกับฝ่ายของเชษฐาอีกมากแต่นานอินขับไปซะก่อนยังมีเวลาอีกมากที่พวกเองจะมาร่วมอยู่กับเจ้านายฝ่ายนี้เฉพาะคืนนี้กลับไปอยู่กับฟรังตามหน้าที่ก่อนทั้งสี่คนจึงเดินหน้าเหี่ยวตามคณะของสแตนลีย์ไปแต่ไม่ไวหันกลับมาโบกมือส่งเสียงโวกเวก พูดจากับพวกลูกหาบของเชษฐาทั้งหลายซึ่งก็ล้วนญาติม่สนิทกันในหนองน้ําแห้งทั้งสิน้นเมื่อกลับมาถึงที่พักฝ่ายของเชษฐาทุกคนยกเว้นพวกลูกหาบต่างยังนั่งร่วมกลุ่มสนทนากันอยู่เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาต่างก็ได้รับการพักผ่อนหลับนอนมาแล้วอย่างเต็มอิ่มยกเว้นดารินคนเดียวซึ่งคืนนี้หล่อนก็ไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนใดๆทั้งสิน้นเต็มไปด้วยความแช่มชื่นเปี่ยมสุข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 คริสตีน่ามีรูปโฉมและลักษณะท่าทีที่เป็นสเสน่ห์เรียกความสนใจเป็นอย่างยิ่งและคงความเห็นตรงกันว่าหลอนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะลึกลับพบปะกันเพียงช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยต่างก็วิเคราะห์อเมริกันทั้งสี่คนและเชิดวุธได้ถูกต้องหมดว่าใครเป็นอย่างไร โชคดีที่มาพบกันในมรดกนครแห่งนี้ถ้าพบกันกลางทางไม่รู้ว่าจะมีการยิงกันเพื่อแย่งตัวรพินหรือเปล่าชัยยันว่าอนุชาสันสีสะชาชาคงไม่หอกครั้งแรกเราหวนไปว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นแต่พอมาได้พบเห็นตัวจริงรู้จักอุปนิสัยใจคออันทองแท้แล้วแบบนี้ฉันมีความเห็นว่าพวกนี้ครบได้ทุกคนแม้จะตามทันกันในป่า ก็เชื่อว่าจะพูดจากตกลงกันได้ด้วยดีคงไม่เกิดเรื่องอะไรที่เป็นปฏิปากกันหรอกก็ไม่แน่เพื่อนของเขาแย้งมาพวกนี้ถือว่ามาปฏิบัติหน้าที่รับสุดยอดและเป็นงานของ CIA โดยเฉพาะเขาคงไม่ต้องการให้พวกเราตามมาเพื่อรู้เห็นอะไรด้วยหรอกแต่นี่ดีที่อะไรต่ออะไรมันก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นมิตรกันได้อยู่วันยังค่ำ พบในป่าระหว่างทางเขาอาจพิจารณาว่าพวกเราเสือกสอดเข้าไปรู้ในงานของเขาและพยายามจะทำลายแผนงานของเขาที่ถือว่าสุดยอดก็ได้แกแลก้วก็มันชอบมองอะไรในแง่ร้ายเสมอเห็นมองในแง่ดีอยู่สองจุดเท่านั้นคือรูปร่างของเบลแล้วก็ที่ใบหน้าของคริสเชษฐาติงมาช่ยันหัวรอ ก, กากจริงยอมรับ แต่ฉันก็ไม่กล้ามองนานนักหรอกเจ้าหนูเชิดวุฒินั่นคอยรอบสังเกตฉันอยู่ตลอดเวลาสำหรังเจ้าคิตนั่นอีกคนรู้สึกว่ากลุ่มเขาจะหวงผู้หญิงของฝ่ายเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตอนที่กลางเข้าไปพูดสนิทสนมอยู่กับคริสและเบลล์ฉันเห็นนายคิตกับไอ้หนูคางใสเชิดวูดนั่นจ้องเขม็งทีเดียวว่ายังไงไม่ลองจีบคริสดูหน่อยหรือในกลางอนุชาไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มอย่างปราศจากความหมายพร้อมกับยักไหล่ ดารินแหวมาเบาวๆว่าเลวไหลหน้าชัยยันฉันไม่อยากจะให้เธอพูดอะไรเป็นเชิงนินทาผู้หญิงลอบหลังเลยฉันจะฟ้องเมเมื่อกี้นี้ตอนจะลาจากฉันฉันเห็นเธอจูบเบลซึ่งแม่นั่นก็เอียงแก้มมาให้เธอหอมเสดิบดีทีเดียวอ้าวบันไลแล้วสิอาตมาตาซอกแทกเหลือเกินนะน้อยนี่ประมาณเพียงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นขณะที่ฝ่ายของเชษฐายัางนั่งคุยกันอยู่ ร่างเพียวแกรง่งเกรงของรัฐพินไพรวันก็ปรากฏตัวโผล่เข้ามาทางประตูด้านหน้าทุกคนเห็นเข้าก็ดีใจร้องทักกันแซดเขายิ้มและเดินเข้ามาซุกตัวลงนั่งร่วมวงด้วยไม่นึกว่าคุณจะย้อนมาหาเราในคืนนี้อีกอนุชากล่าวขึ้นปนหัวเราะขณะที่ยื่นซองบุหรี่ไปให้พวกนั้นพากันพักนอนหลับหมดแล้วคงอ่อนเพลียกันมากก็เลยแอบย่องหนีมา ดารินแกล้งพูดขึ้นลอยๆไม่ได้แอบหนีมาหรอกครับผมบอกพวกเขาตามตรงคือบอกว่าให้นอนหลับพักผ่อนกันให้สบายที่สุดไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกและขออนุญาตพวกเขาไว้เรียบร้อยว่าผมจะมาคุยกับพวกเจ้านายเก่าที่นี่ซึ่งพวกเขาขออนุญาตยังฝากบอกมาด้วยเลยว่าความจริงอยากจะมาคุยด้วยเหมือนกันแต่สาหรับคืนนี้เพลียเต็มทีทุกคนสบักสบอมกันมาม า, มากแล้ว หวังว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปคงได้มีโอกาสสนทนาใกล้ชิดกันเพิ่มขึ้นเป็นยังไงพวกนั้นว่าอย่างไรบ้างเชษฐาถามหมายิ้มยิ้มพวกเขาประทับใจทุกอย่างในมรกรณนครนี้ครับตั้งแต่ฝ่ายของคุณชายทุกคนทั้งหมดรวมทั้งกษัตริย์จักราธิราชและราชนินีสรุปก็คือมีแต่ความปราบรื่มยินดีไม่มีใครไม่พอใจอะไรสักอย่างเดียวทุกคนเป็นสุขแน่หรือ ดารินสวนถามมาหน้าตาเฉยมองหน้าเขาแล้วซ่อนยิ้มระพินฝืนหัวเราะผมเข้าใจเช่นนั้นเพราะเห็นมีความสุขกันทั่วหน้าถามจริงๆเถอระพินพวกเขาจะมีความสุขกว่านี้ไหมถ้าคุณนำมาถึงมรกนครแห่งนี้มาพบทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการแล้วโดยไม่มีพวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยคือมาแล้วไม่ได้พบว่าพวกเราก็มารอคอยอยู่ก่อน ชยันพูดอย่างคนซอกแซกแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรนักถว่าก็ทำเอาพรานใหญ่เริ่มรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีจิตใจที่คับแคบถึงเพียงนั้นหรอกครับก็เห็นทุกคนแสดงความยินดีที่พบฝ่ายของคุณชายและพูดกับผมในแง่ดีงามเท่านั้นทุกคนชมว่าคุณชายเชษฐาเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วคุณชายอนุชาเป็นนักต่อสู้นักผจญภัยชั้นเยี่ยม และโดยเฉพาะอเมริกันสาวสองคนนั้นชมคุณชัยยันว่ารูปหล่อคุยสนุก 5. ชัยยันร้องลั่นออกมาแทบกระโดดขึ้นทั้งตัวทั้งทั้ ง, ท, งที่นั่งขัดสมาธิอยู่ระพินวางหน้าเขิงขังพยักหน้าจริงๆครับคุณชัยยันชิปแผงลาสีอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางออกมาดารินสกิดแขนเข้ามาเบาบา ว, ว่า อย่าเป็นอันขาดนะจำไว้ถึงเมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันก็ยังอยู่ทั้งคนชา ย, ยันยิ้มแห้งๆบอกอุบอิบมาว่าจะกันท่าไปถึงไหนนะใ ย, ยน้อยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลได้ผลเสียของเธอสักนิดเอางี้ดีกว่าฉันยกให้แก่พี่ชายเธอสองคนไปเสียก็แล้วกันนิคนละคนนิครบคู่พอดีอนุชาหันมามองหน้าพร้อมกับหัวเราะเหื ฉันกับพี่ใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้อนอะไรในเรื่องพวกนี้หรอกชายยันสำหรับแกนั่นแหละอย่าให้เด็กอย่างเชิดวุฒถอนหอกเอาเรามันแก่แล้วสำหรับมีไอ้ยักษ์คิดนั่นอีกตัวหนึ่งรับรองว่ามันจับนายทุ่มทีเดียวคอหกักทั้งวงหัวรอกกันอย่างครื้นเครงที่สุดรวมทั้งระพินผู้หน้าตายก็ยังอดไม่ได้ที่กัดริมฝีปากก้านหัวราออยู่กึกึกกไม่ทราบทุกท่านกาลังจะพักผ่อนกันหรือเปล่า ผมโผล่เข้ามาเป็นการรบกวนเขาเอ่ยขึ้นคุณมาก็ดีแล้วรพินเรามีเรื่องอะไรต่ออะไรที่จะคุยกันอีกเยอะทีเดียวยังคิดเลยว่าคืนนี้ภายหลังจากแยกกันที่งานนั่นแล้วคุณน่าจะหาโอกาสแว บ, บมาพบเราบ้างไม่ใช่กลับไปนอนหลับเลยเชิดถาว่าดารินก็แทรกมาทันทีอ๋อลองไปกับพวกนั้นแล้วไม่โผล่มาพบพวกเราที่นี่ในคืนนี้สิคะ น้อยจะตามไปดึงหูมาให้ได้ต่อให้นอนหลับอยู่ก็ตามพรานใหญ่กระพริบตาถี่งงงุนในขณะที่คนอื่นๆก็รู้สึกประหลาดใจในคำพูดของน้องสาวคนเล็กอ้าวนี่คุณหญิงไม่ได้เรียนให้ท่านทั้งหลายทราบตามที่ผมบอกรอกหรือครับว่าผมจะไปส่งพวกเขาเสียก่อนและจะย้อนมาหาพวกเราที่นี่อีกครั้งไม่ได้บอกหล่อนพูดสั้นๆหน้าตาเฉย แล้วลุกขึ้นเดินมาหย่อนกายลงนั่งเบียดชิดไหล่เขาต่อหน้าพี่ชายทุกคนที่อยู่พร้อมหน้ากันในขณะนี้พรางขีดไลเตอร์ในมือขึ้นประคองไปที่บุหรีซึ่งคาบค้างอยู่ในปะเขากล่าวต่อมาว่าอา้าวจุดเสียเห็นสูบบุหรีใบตองแห้งของบุญคำอยู่ตลอดเวลาทุเรศโทระพินครางอ้อมแอมอยู่ในลาคอรู้สึกระดักเล็กน้อยที่ดารินแสดงความสนิทสนมกับเขาอย่างเปิดเผย โดยไม่แคร์ต่อสายตาของพี่ชายซึ่งนั่งล้อมวงกันอยู่เบื้องหน้าเขาพยายามจะกระทดให้ห่างไหลออกมาดารินก็เลยเอียงตัวเข้าไปหาไหลกระแทกทำอารพินเอียงกระเทเร่เกือบล้มไปแชฐาอนุชาและชัยยันขณะนี้กลับพากันเห็นเป็นเรื่องขำขันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องขัดลูกในตาลอนแยไฟจากไลเตอร์ส่งไปให้เขาอีก ระพินจึงจำต้องจุดและพูดแก้เก้อออกมาว่าบุหรีผมกับพวกนั้นหมดไปนานแล้วเหลือมีแต่ซิก้าตัวเล็กๆผมไม่ถนัดสูบซิก้าอนุญาตนะน้อยถ้าจะลงมือลงไม้กับประพินในขณะนี้รับรองว่าจะไม่ห้ามหรือว่าอะไรเธอเลยค่าที่ทําให้น้อยต้องสมสารติดตามมาแทบตายซ้ํายังจะพลอยลากเอาพี่ๆมาตายตามไปด้วยอนุชา เอ่ยขึ้นปนหัวเราะเบาๆก็อยากจะลงมือเหมือนกันเละค่ะแต่เห็นสารรูปแล้วอดสมเพศไม่ได้สมัยก่อนนี้มากับพวกเราไม่เห็นผอมโซอย่างนี้นี่ขนาดมีแม่ผมทองประคองอยู่ข้างหนึ่งผมแดงหิ้วปีกอยู่อีกข้างหนึ่งก็ยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอ้าวๆพูดให้ดีนน้อยประเดี๋ยวเข้าตัวช ย, ยันชีหน้าร้องออกมาทําไม ดารินร้องถามมาเธอหมายความว่ายังไงกันเพราะแม่ผมทองแนบซ้ายแม่ผมแดงแนบขวาเงินรึถึงทำให้รับพินของเราบักโกรกถึงอย่างนี้ความหมายของเธอมันแปลอ ย, อย่างนั้นนะจะบอกให้ดารินหน้าแดงเงื้อไลเตอร์ตวาดแวด๊ดเฉยๆเหอะตาชา ย, ยัน หรือจะเอาไอ้นี่คว้างหน้าแตกเลยฉันหมายถึงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือดูแล ร, รักษาพยาบาลเขาได้ดีกว่าฉันและพวกเราทุกคนหรอกแปลความหมายลึกดีนักขณะนั้นเองนางกำนันรับใช้ประจำประสาทที่พักก็เดินผ่านประตูทางเข้าด้านหน้าเข้ามาอย่างสงบส ง, ง่ยมและเดินตรงเข้ามาหาทุกคนทั้งหมดหันไปมองเป็นตาเดียวเมื่อมาถึง นางงามผู้นั้นก็สุดกายลงคุกเขา่ารายงานขึ้นว่ามีชาวป่าสองคนขออนุญาตที่จะเข้ามาพบกับท่านพรานใหญ่รัพินไพรวันเจ้าค่ะทั้งหมดชะงักงันไปจ้องหน้านางกำนันและหันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมาอย่างสุดที่จะงุนงงชาวป่าพรานใหญ่ทนคำขมวดคิ้วแล้วถามต่ำๆว่าใครคนหนึ่งเป็นเผ่ากะเรียง อีกคนหนึ่งเป็นเผ่าตองสูเจ้าค่ะท่านจะอนุญาตให้เขาเข้ามาพบได้หรือไม่กลุ่มของเชษฐาทั้งหมดอุทานออกมาพร้อมกันหมดว่าว้าวสวนรพิน์วางหน้าขรึมสนิทพยักหน้าลงช้าๆพร้อมกับบอกเรียบๆว่าไปบอกไอ้เกรเี่ยงพเนจรกับไอต้ตองสูนั่นให้เข้ามาได้อ่อบอกมันด้วยว่าถ้ามันสองคนขาด อัดะบริขารประจำตัวแม้แต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของมันไปแล้วก็รพินไพรวันจะไล่เตะมันออกไปจากที่นี่ไม่ทันทีเดียวเอาละเจ้าไปบอกมันตามที่เราสั่งและให้มันเข้ามาได้นางกำนันผู้เข้ามาบอกกระแสความผู้นั้นค่อยๆกระถดถอยห่างออกไปแล้วลุกขึ้นเดินหายลับจากสายตาไปทางมุมด้านหนึ่งของประตูทางเข้า อึดใจต่อมาท่ามกลางสายตารอคอยอย่างเงียบสงบของทุกคนในห้องนั้นร่างสองร่างก็ก้าวลับขอบบังของประตูใหญ่มาปรากฏยืนเคียงคู่กันและสนิทนิ่งอยู่ที่นั้นชั่วขณะร่างหนึ่งสูงใหญ่ตร a n g g งามอีกร่างหนึ่งผอมบางและเตี้ยวกว่ากันโดยมีศรีรษะสูงเพียงแค่ช่วงไหล่ของผู้ที่ยืนอยู่เคียงเท่านั้น ทั้งหมดของฝ่ายเชิถารวมทั้งระพินแม้จะรู้รหัสความในมาก่อนตั้งแต่นางกำนันเข้ามาบอกข่าวก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องจ้องเขมงอย่างตะลึงระคนสุดสนเท่ชาวป่าที่มีร่างสูงใหญ่อยู่ในชุดของกระเรียงเนจรสีดำล้วนอันประกอบด้วยกางเกงขารัด ที่ถูกตัดสั้นเพียงครึ่งหน้าแข้งเก่าคร่ำสวมเสื้อกากเอลรอยทับเสื้อยืดคอกลมสีดำกระดางเป็นคราบริ้วรอยสกปรกต้นแขนอันเปือยขึ้นไปถึงไหลซึ่งอุดมไปด้วยมัดกล้ามผูกรัดไว้ด้วยเชือกถักสีขาวเหมือนจะเป็นเครื่องรางห้อยคอด้วยเชือกร่มมีเขี้ยวเสือติดอยู่หน้าผากใกล้ชิดเชิงผมคาดไว้ด้วยแถบผ้าแดง ไหลขวาสะพายย่ามเก่าๆสีน้ำตาลมัวและในมือซ้ายถือปืนกระบอกเก่าคร่ำคร่าแบบคานเวียงอันเป็นวินโมเดล1894ขนาดจุด44สทับ40สหายร่างเล็กที่โผล่เข้ามาปรากฏตัวพร้อมกันก็คงอยู่ในชุดเดิมของพลานชาวตองสูคือกางเกงครึ่งแข้งแบบชาวเขาเสื้อดำกระดุมถักขาดรุ่งริ่งเกือบจะเปิดอกตลอดบนหัวโพวกเขาม้าขาว สพายย่ามไปอีกลักษณะหนึ่งในมือถือปืนลูกซองเดียวนกนอกบรรจุเดียวทีลนัดเช่นเดียวกันที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนชนิดจำได้อย่างไม่ผิดว่านั่นคือเจ้าสาังปลาขนาดแท้ดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยนไปเลยทั้งสองคนอันเป็นคนใช้ติดตามมาในการเดินทางครั้งอดีตแงซ า, ายและสังปลา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 แต่สำหรับรพินและดารินในขณะนี้แม้จะไม่ได้นัดกันไว้ก่อนเลยทั้งคู่ต่างพินิษสภาพเท่าที่มองเห็นอยู่กับตาในขณะนี้จับนิ่งไปที่แง่ายตาไม่กระพริบเหมือนจะสแสวงหาความแผลเพี้ยนไปจากเดิมเท่าที่เคยเห็นโดยเฉพาะจากการเห็นในภาพนิมิตฝันตลอดระยะเวลาที่เดินอยู่ในป่าครั้งนี้แล้วต่างก็รำพึงออกบอกกับตนเอง อยู่ภายในตามลาพังว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันไปเลยจนนิดเดียวแงาซายที่เข้ามาปรากฏในมโนทวารของระพินก็ดีหรือเข้าไปปรากฏให้เห็นในภาพนิมิตของดารินก็ดีมีสภาพรักทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเช่นที่ครองจักสุแลไปพบตามความจริงในขณะนี้ทุกประการด้วยสีหน้าที่เรียบเป็นปกติเหมือนชาวป่าธรรมดาทั่วไป หรือตามบุคลิกของแต่ละคนอันเป็นลักษณะดั้งเดิมคนทั้งคู่พากันเดินช้าๆตรงเข้ามายัางคณะของเชษฐาทั้งหมดเมื่อเข้ามาถึงในระยะอันห่างพอสมควรเจ้ากระเหลี่ยงพเนจรและเจ้าสางปลาชาวตองสูงก็พากันซุดตัวลงนั่งขัดตมารตรงหน้าช้าๆสำหรับแง่า ย, ายวางปืนบัสตันลงข้างๆกาย และก่อนที่ใครหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเอ่ยขึ้นอย่างไรก่อนท่ามกลางความเงียบนั่นเองรพินไพรวันก็พูดขึ้นด้วยเสียงห้าต่ำของเขาได้ยินไปทั่วว่าทานายพูดขึ้นว่าผมรู้ข่าวว่าผู้กองจะเดินทางกลับออกไปยังโลกสิวไรไกลโพ้นเบื้องหน้านน้นจึงมาขอสมัครเป็นลูกหาบติดตามไปรับใช้ด้วยถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ รู้ไว้ด้วยว่าคำตอบของฉันแล้วเจ้านายทุกคนก็คือจงเป็นจอมคนอยู่ยังมรกรณนครแห่งนี้ตลอดไปเถิดเพื่อดำรงไว้ซึ่งโทษสพิษราชธรรมอย่าได้คิดกลับออกไปสู่โลกภายนอกอันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมมอีกเลยเพราะแกทั้งคู่ได้พระจากหลุดพ้นออกมาได้หมดแล้วริมฝีปากเป็นกริบกระจับคู่นั้นแย้มกว้างออก จนเห็นฟันขาวทั้งสองแถวอันเป็นการยิ้มของแง่ทรายที่ทุกคนจำได้อย่างติดตาและไม่คิดว่าจะได้มาเห็นอีกเลยตลอดชีวิตนี้อนุชานั้นเพียงแต่จ้องมองดูเฉยๆอยู่ด้วยความประหลาดใจตื่นเต้นเท่านั้นส่วนเชษฐาชัยยันซึ่งคุ้นเคยกับตาและประทับอยู่ในความทรงจาดีอยู่ก่อนแล้วหันหน้ามองกันเองไปมาสลบับกับการหันไปจ้องแง่ทรายพรางอุทานออกมาว่าเฮ้ย อะไรกันนี่ไม่ได้ผิดไปจากเดิมที่เราพบครั้งแรกเลยจนนิดเดียวไม่แต่รอยยิ้มชนิดนั้นพวกลูกหาบทั้งหลายที่พากันล้มตัวลงนอนกันไปแล้วแต่คงจะยังไม่หลับสนิทนักลืมตาขึ้นมาเห็นก็ฮือฮาลุกขึ้นแล้วพูดอะไรกันแซ่ดต่างพลูเข้ามาทำท่าเหมือนจะกลุ้มรุมล้อมอย่างปิติยินดีขีดสุดแต่แล้วก็ชะ ง, งักพากันลงนั่งล้อมวงอยู่ข้างๆ นานอินนั้นส่งเสียงตะโกนออกมาว่าไอ้แงซายไอ้ส่างปานี่เองสองคนแน่หรือส่างปานั้นภายหลังจากนั่งลงแล้วก็ทำหน้าเป็นสากระเบอือดินอยู่เหมือนเดิมแต่ริมฝีปากหมุบมิบเหมือนจะบ่นรำพึงอะไรส่วนเจ้าหนุ่มพระเนจรแงซายหันไปยิ้มโบกมือให้แก่ทุกคนแล้วหันกลับมาทางคณะเจ้านายตามเดิมเสียงทุ่มลึกในลาคอก่าวขึ้นกับพระพินว่า ผู้กองมีความจำได้ดีเหลือเกินจำได้แม้กระทั่งประโยคแรกที่ผมเริ่มต้นว่าอย่างไรในการมาขอสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินทางในครั้งกระนั้นผมกับส่างปาไม่ได้คิดจะเล่นตลกอะไรกับคณะของท่านทั้งหมดในขณะนี้หรอกครับผมรู้ว่าทุกท่านคิดถึงแง่ทายและส่างปามากกว่าที่จะคิดถึงจั ก, กราธิราชอันเป็นเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรนี้ รวมทั้งคงอยากจะเห็นสร้างปาในสภาพเดิมด้วยอย่างน้อยก็อีกสักครั้งหนึ่งเราสองคนจึงขอมาพบพวกท่านในคืนนี้ในลักษณะของอดีต ท, ที่เราเคยเป็นมาเพื่อเตือนระลึกเพื่อเป็นการย้ําให้ท่านเข้าใจได้โดยถ่องแท้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะได้ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรเราก็ยังคงเป็นแง่ายและสางปาสําสหรับเหล่าท่านทั้งหลายอยู่เหมือนเดิม นี่คือแก่นแท้ของความจริงเมื่อกล่าวแช่มช้าดังนั้นแล้วแง่ส า, ายก็หันไปบอกกับนานอินและพวกพรานลูกบ้านหนองน้าแห้งทั้งหลายว่าลุงอินข้าคือแง่ส า, ายของลุงคนเดิมนั่นแหละแง่ส า, ายที่ลุงเอาไปฝากพระธุดงให้เลี้ยงไว้และพอแง่ส า, ายโตขึ้นเราก็เคยเดินป่าหาสัตว์หาของป่ามาด้วยกันโดยลุงไม่เคยรู้หรือจาได้ว่า ข้าคือเด็กน้อยอนาถาที่ลุงเคยอุปการะเอาไว้ส่วนพวกเจ้าทั้งหลายอันเป็นชาวบ้านหนองน้ำแห้งของพรานใหญ่ระพินข้ารู้ว่าพวกเจ้าจำข้าได้ดีเพราะนานปีทีหนข้าก็ผ่านเข้าไปในหนองน้ำแห้งขออาหารขอที่พักจากพวกเจ้าซึ่งก็ได้รับความปรานีจากพวกเจ้าเป็นอย่างดีจนคุ้นหน้าคุ้นตาทุกคนเดี๋ยวนี้คนนี้ที่นี่ และตรงนี้ขออย่าได้ทุกคนคิดว่าข้าเป็นใครอื่นนอกจากแงซายของพวกเจ้าพวกลูกหนองน้ำแห้งทุกคนเฮโลขึ้นสนันและส่งเสียงร้องทักทายทั้งสองอย่างขรมทำท่าจะกรูกันเข้ามาอีกแต่นานอินยกมือปรามไว้อนุญาตเพียงให้พวกนั้นพูดจาด้วยแต่ไม่ยอมให้ใครถือวิสาสะเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้ากรุงมรกกนครในคราบของแงซายคนดง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 นายทั้งสองคนเก็บชุดเก่าดั้งเดิมของนายไว้ได้ดีมากนะพวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นแง่ทรายและสางปลาตัวจริงในสภาพเดิมกันอีกก็ต้องนับว่าเป็นบุญตาดีใจจริงๆที่เห็นทั้งสองคนในชุดนี้ส่วนชายยันบอกมาว่าโชคดีมากนะที่นายสองคนมาพบพวกเราในชุดนี้ โดยไม่มีเจ้าพวกลิงธโมนสี่ตัวของพรานใหญ่ระพินยอยู่ที่นี่ด้วยไม่งั้นไอ้พวกนั้นคงจะช่วยกันเขกบาลรู้เตะนายคนละป้าบแล้วด้วยความดีใจและด้วยความรักสนิทของพวกมันแง่ทรายยิ้มยิงฟันอยู่ตามเดิมขณะนี้ความเป็นจั ก, กราธิราชเจ้าแห่งมรกรกครไม่ได้หลงเหลือให้ใครเห็นเลยนอกจากแง่ทรายและแง่ทรายที่ทุกคนเคยใช้งานอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งอากัปกิริยาสีหน้าและแววตาตรงกันข้ามกับสางปาแม้ผู้จะถูกบังคับให้สวมใส่ชุดเดิมของตนมาและเข้ามาปรากฏตัวอยู่ณที่นี้ด้วยก็มีอาการ อ, อึดอัดประดักประเดิดอย่างไรพิกลแต่เจ้าสางปาเป็นคนหน้าตาอยู่แล้วจึงไม่สู้จะมีใครสังเกตเห็นอาการนั้นนะักนอกจากดารินและระพินที่ยิ้มยิ้มพยายามจะจับสารวจอยู่เท่านั้น มีอะไรที่ผมผิดเพี้ยนไปจากไอ้จอมกะล่อนคู่ปรับเดิมของผู้กองบ้างไหมครับอดีตคนดงหันไปถามจอมพรานยิ้มยิ้มรับผิดหัวเราะหึห่หึแล้วก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งเก่งมากไม่มีอะไรเพี้ยนไปจากเดิมเลยถ้าแกเป็นนักแสดงแล้วก็ระดับตุ๊กตาทองทีเดียวไม่ว่าจะในบทของจักรราชหรือบทของแง่ทรายตามปกติระหว่างที่ฉันเดินป่ามาในเครั้งหลังนี่ ฉันก็เห็นแกอยู่แทบจะตลอดเวลานะไม่ว่ายามเจ็บป่วยหรือยามเคลิ้มหลับสารรูปตลอดจนเครื่องทรงประจำตัวของแกทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนอย่างนี้แหละจนฉันก็อดประหลาดใจไม่ได้แม้กระทั่งส่วนปรีกย่อยละเอียดที่สุดเป็นต้นว่าไอ้ได้สายสินดำปู้บี้ที่แกรัดต้นแขนของแกไว้ตลอดเวลาฉันนึกว่าแกจะลืมแกยังอุตส่ามีมาให้เห็นครบใช่ ฉันก็มองเห็นเธอเหมือนที่ระพินบอกนั่นแหละดารินร้องลั่นออกมาอีกคนพร้อมกับตบมือชอบใจเพราะฉะนั้นผมก็รอดตัวไปได้แล้วผมก็รู้ว่าผู้กองรอที่จะเตะผมอยู่ถ้าผมโผล่ออกมาพบในฐานะของแง่ทรายแล้วอัดบริหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ผมเคยใช้และผู้กองจําได้มันเกิดขาดหายไปผู้กองคอยจ้องจับผิดผม ขอยจ้องแม้แต่อยู่ในภาวะพวังจิตและแม้ในขณะที่ผมไปพบผู้กองระหว่างตกอยู่ในภาวะภวังจิตผมก็ยังขาดความเป็นแง่ซ้ายที่แท้จริงไปเสียไม่ได้ผมต้องเพ่งระลึกอยู่นานทีเดียวเพื่อไม่ให้ตัวเองลืมหรือตกล่นสิ่งใดไปคิดยังไงขึ้นมานี่แงซายถึงได้ชักชวนสางปาให้มาพบพวกเราในลักษณะดั้งเดิมแบบนี้ ท่านหัวหน้าคณะถามมายิ้มยิ้มอย่างสุดที่จะแสนรักชื่นชมพรางก็เอื้อมมือมาลูบที่ศีรษะอันรัดพันไว้ด้วยแถบผ้าแดงนั้นเบาๆนับแต่เราได้จากกันที่ปลายถนนพระสิวะในครั้งนั้นแล้วผมคิดถึงนายใหญ่นายหญิงผู้กองและพวกเราทุกคนจนบอกไม่ถูกผมกินไม่ได้ไม่หลับไม่นอนอยู่หลายวันทีเดียวแม้ว่าจะได้ประชาชนและแผ่นดินคืนมาแล้ว และแม้แต่ว่าจะมีเมยานีอยู่เคียงข้างแงาซายพูดออกมาจะแก่นใจจริงละคนไปด้วยรอยยิ้มหันษามองละไปยังใบหน้าของเจ้านายเก่าแต่ละคนแล้วมาจับนิ่งอยู่เฉพาะที่รพินไพรวันผมมาพบท่านทั้งหลายที่นี่ในคืนนี้อีกครั้งขอย้ำว่าผมมาในนามของแงาซายไม่ใช่ในนามของจักรราชซึ่งเสด็จเข้าพระที่ไปแล้ว แล้วทำไมไม่ชวนแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนเมยาณีในชุดในกองโจมมาด้วยละ่ะเธอผู้นั้นก็มีอดีตกับพวกเรามาเหมือนกันนี่ดารินถามขึ้นยิ้มยิ้มแงซ า, ายสายหน้าช้าช้ายิ้มฟันขาวเมยาณีไม่ได้มีอดีตในการทุกข์ยากลาบากกับพวกเรามาในตอนเดินป่าเพราะฉะนั้นเธอไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่เจ้าสางปลาขี้ลิงคนนี้ใช่อ้อ ก็เลยแอบนี้เมียมาหาพวกเราว่างั้นเถอะทั้งๆ ท, งที่คืนนี้แกน่าจะอยู่กับเมียให้สาสมกับที่แยกกันไปจำศีลภาวนาเสียนานชายันดักคอมาปนหัวเราะแงาซายพลอยหัวเราะตามไปด้วยพระธุดงที่เคยเลี้ยงผมท่านเคยสอนไว้ว่าหยุดไอ้ลูกไมเก้เก่าๆของแกได้สิทีแล้วแงาซายคราวใดที่แกขึ้นต้นด้วยประโยคว่าพระธุดง ฉันเป็นต้องปวดขมับจีขึ้นมาทุกทีทุกคนหัวเราะครืนขึ้นรวมทั้งตัวแงสายด้วยยกเว้นแต่สางปลาคนเดียวที่นั่งทำหน้าทื่ออยู่นันอินเห็นอาการอึดอัดของอดีตคนใช้ของมาเรียดังนั้น <c oughs> ก็เอื้อมมือมาจับแขนสางปลาดึงออกมาให้เข้ามาร่วมหมู่กับพวกพรานพื้นเมืองเสีย <c oughs> เพื่อไม่ให้ต้องนั่งเคียงคู่กับสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกกนครในคราบแงสายเช่นนั้น ซึ่งสางปาก็ถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกโดยปล่อยให้เจ้าอาดีตเกรเี่ยงพนเจนจรนั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงของเจ้านายตามลำพังคนเดียวผู้กองยังเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โกรธขี้รำคาญแงาซายอยู่เหมือนเดิมแงาซายรักที่จะโยกผู้กองก็เพราะเห็นจุดอ่อนในเรื่องนี้แหละเออสิ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่วายตั้งท่าจะมายั่วโทโสฉันทั้งทังที่ฉันก็อารมณ์ดีขึ้นมากแล้วก็อย่าทําเป็นขี้แอกแก่โทโสไปนักสิแงาซายแสดงบทบาทของเขาได้อย่างเหมาะสมในฐานะแงาซายคนเดิมแต่คุณก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแสดงบทเป็นตาพรานขี้เก๊กไม่เข้าเรื่องคนนั้นเลยนี่ดารินตบไหล่เขาโดยแรงพร้อมกับบอกมาเกือบจะเป็นเสียงเกลียวกราดเข้าใส่ ระพินเป่าลมออกจากปากคุณหญิงก็เหมือนกันเลิกเล่นบทเดิมงัดข้องัดคอกับผมอยู่ตลอดการได้แล้วปล่อยให้แง่ทรายมาแสดงบทเก่าเป็นคนเดียวดีกว่าผมก็จะดูเหมือนกันว่าคืนนี้มันจะมาไม้ไหนผมไม่ได้มาไม้ไหนหรอกครับผมคิดถึงอยากจะคุยอะไรกับเจ้านายเก่าของผมในฐานะแง่ทรายไม่ใช่ฐานะของจักรราชผมก็เลยย่องมาหา ก่อนจะเข้ามาก็ขออนุญาตก่อนแล้วซึ่งผู้กองก็อนุญาตไม่ใช่หรือขออนุญาตจากเมียแล้วหรือหรือว่าแอบหนีมาชายันถามด้วยอารมณ์คลึกครื้นอีกผมบอกให้เธอทราบแล้วครับว่าคืนนี้ผมจะเป็นแง่ทรายเพื่อมาพบกับเจ้านายเก่าของผมเธอก็ยินดีด้วยซ้ายังบอกให้ผมเอาสั่งปลามาด้วยในสภาพเช่นนี้ผมทราบเลว่าทุกท่านมีความสุขที่ได้เห็นผมเมื่อตอนบ่ายนี้ แล้วก็ทราบด้วยว่าจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปกว่านั้นอีกหลายเท่าหากเห็นผมและสางปาในลักษณะเช่นนี้เป็นความจริงเช่นนั้นแง่ทรายมันเป็นความจริงอย่างที่สุดเชิดากับอนุชาเอ่ยออกมาพร้อมกันแง่ทรายก็เอียงหน้าหันไปทางรพินผู้กองก็เหมือนกันงั้นไม่ใช่หรือครับคราวนี้รพินไพรวันยิ้มออกมาจากแกนแท้จริงใจของเขาไม่ได้ตอบตรงคาถาม แต่ว่าไม่เพียงแต่แกเท่านั้นที่คิดถึงพวกเราทุกคนพวกเราก็คิดถึงแกจนบอกไม่ถูกนับแต่วันที่จากกันตรงหัวถนนพระศิวะสาหรับฉันทุกครั้งที่เห็นแกทางมโนทวารระหว่างที่เดินป่าอยู่ในเที่ยวนี้ฉันก็ดีใจจนบอกไม่ถูกถามจริงๆเถอะมาพบในคืนนี้ก็ดีแล้ว ทุกครั้งที่ฉันเห็นฉันพูดกับแกหรือแกมาคอยส่งข่าวอะไรระหว่างที่ฉันกําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางป่านั้นฉันได้สร้างภาพหลอนตัวเองขึ้นมาหรือว่าแกได้ใช้อิทธิยานบารมีของแกส่งกระแสจิตไปถึงฉันเงียสายนิ่งไปครู่ด้วยอาการยิ้มละไมแล้วจึงตอบด้วยกระแสเสียงที่จริงจังผิดไปจากอาการเล่นหัวล้อเหรียญในครั้งแรก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 ในระหว่างที่นั่งเข้ายานเพ่งกรสินอยู่พยายามเรียกร้องชักจูงให้ทั้งทางด้านผู้กองและทางด้านของนายหญิงบ่ายหน้าตรงมาที่นี่ให้ได้และพยายามชี้นําตลอดจนตักเตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกครั้งผู้กองหรือนายหญิงไม่ได้คิดฝันหรือวาดภาพผมขึ้นมาเองหรอกครับแต่พลังจิตของผมหรือจะเรียกอีกลักษณะหนึ่งว่ากายทิฟ ได้ติดต่อไปยังผู้กองและนายหญิงจริงๆแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ฝันไปหรือว่าได้สร้างภาพหลอนขึ้นมาเองทุกคนอึ้องงันไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกโดยเฉพาะระพินกับดารินขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายต่างฝ่ายต่างหันมองดูหน้ากันเองเธอมหัศจรรย์เหมือนมนุษย์มากแงทา ย, ายฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะนี่ ว่าในความฝันของฉันก็ตามภาพลับๆ ล, ล, ล่อๆของเธอที่ปรากฏให้ฉันเห็นหรูเสียงที่ดังแว่วมาถึงจิตประสาทของฉันมันไม่ได้เป็นอาการหลอนของจิตประสาทตัวเองแต่แล้วก็ปรากฏเอาเดี๋ยวนี้เองจากคำบอกเล่าของเธอว่าเธอได้ส่งพลังจิตของเธอติดต่อเข้ามาถึงฉันไม่รู้ทางด้านของฝ่ายระพินเขาแต่ฉันรู้เฉพาะทางฝ่ายฉันเท่านั้น ว่าเธอติดต่อส่งข่าวมาอย่างไรบ้างจนทําให้ฉันมุ่งหน้ามาจนถึงที่นี่ได้และได้พบกับพระพิน์สมกับความคิดหวังไว้อย่างเลื่อนลอยที่สุดคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะตามพบหรือตามเขาทันนั่นเองนายหญิงจะตามผู้กองพบแต่จะตามไม่ทันระหว่างทางหรอกนี่ไม่ใช่เป็นเจตนาหรือการกระทําจากผมแต่เป็นไปตามลิขิตของชีวิตและดวงชะตา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 เชษฐาเด็ดนิ้วมือเบาๆแล้วถามว่าเอาละแงซายเป็นการดีมากที่สุดที่เธอมาพบเราทั้งหมดในคืนนี้ไหนลองเล่าหรืออธิบายให้เราฟังหน่อยซิว่าเรื่องราวมันเป็นไปยังไงมายังไงเรากำลังอยากรู้เหลือเกินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปริศนาลึกลับไปหมดใช่นายต้องบอกความจริงทั้งหมดถึงแม้จะไม่บอกกับฝรั่งพวกนั้นก็ต้องบอกกับพวกเรา ถ้าคิดว่ารักกันจริงอย่าอมพนมเก็บเงื่อนงำอะไรไว้เหมือนเหมือนอย่างที่นายเคยปฏิบัติอยู่สมัยก่อนระพินย้ำคำมาอย่างหนักแน่นขณะที่จ้องตาเขมงผู้กองระพินผู้กองเองละ่ะรักผมจริงหรือเปล่าครั้นแล้วแง่าสายก็ถามขึ้นเรียบๆดวงตาคมงามประสานสายตาเข้านิ่งจิตใจที่เรามีต่อกันนั้น จำเป็นด้วยหรือที่จะต้องกล่าวออกมาเป็นวาจาในเมื่อตัวแกเองก็รู้ดีอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นพระเจ้ากรุงมรกรนครเวนรเ้นระยะไปนิดหนึ่งซ่อนยิ้มก่อนจากกันตรงหัวถนนพระศิวะผมได้มอบสิ่งใดไว้ให้แก่ผู้กองจำได้ไหมแกได้มอบตราประจำตัวประจำราชวงศ์สุริยเทพเป็นดวงตราทองคำรูปดวงอาทิตย์มีประกาย และเป็นแฉกออกรอบด้านไว้ให้แก่ฉันทำไมฉันจะจำไม่ได้และผู้กองตอบผมว่าอย่างไรขณะที่รับของสิ่งนั้นไปจากผมแล้วฉันพูดว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าข้าพระบาทจะขอเก็บตราประจาพระองค์นี้ไว้กับตัวตลอดไปถูกต้องผู้กองบอกกับผมไว้เช่นนั้นเอาละเดี๋ยวนี้ผู้กองเก็บตราประจาตัวของผมไว้ที่ไหน ขอผมดูหน่อยสิกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกมีกังวาลเช่นนั้นแล้วแงาซายหรือจั ก, กรราชก็แบมือออกไปตรงหน้าของรพินไพรวันท่ามกลางสายตาจับมองของผู้ที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินวราริตซึ่งหล่อนรู้สึกใจหายว่าบอย่างประหลาดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า